ที่บอกมันมีโอกาสวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นคนคนมันก็ไม่มากเราแต่มันมาวันเดียวกันมันมากมันมีโอกาสวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นที่จะพักาผ่อนพวกประชาชนทั้งหลายมีที่การมานี่ทุกทกคนเนียกว่าหวังธรรมะ บังความเย็นเย็นอยู่เย็นปีโสกันทุกคนทั้งชนบุรีรบบุรีสมุทรประการจังหวัดได้หลายจังหวัดผ่านมาร่วนแต่เสีวงหาบุญเนกระทอดภาา ป, ป่าบางสกุลตามภาษานะเพื่อให้มันเกิดเป็นบุญ โดยมากเป็นอย่างนั้นเท ว, ว่ยวฮ่าไม่เคยได้ยินว่าเสวงหาการละบาปไม่ค่อยได้ยินมีแต่สแสวงเอาบุญมาทับกันขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเรามีเวลาน้อยแต่เวลามันไม่น้อยหรอกมันมากอยู่อความเป็นอยู่ของเรานี่มันน้อยๆเวลาที่จะมานี้ คนไทยเรานับถือพุทธศาสนานั้นศาสนาเป็นของยัดกเย็นประชาชนเข้าอบรมแราก็ทำให้เยือกเย็นนัก็มาเคยไปสหรัฐพวกคริสเขาต่อว่าจะทำไงแก้ปัญหาช่ว ย, ยดิเขาให้ไปพูดอยู่ในบ้านคริสเขาพูดตามภาษาเรานั่นแหละเมื่อพูดจบรงคริสคนหนึ่ง แ, แก่เขาถามว่าท่าน เมืองไทยพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยทําไมขโมยแยกนะไม่รู้ทําไงเนาะอาจจะมาก็รับเต็มที่เลยใช่จริงรับโยมรอยเปอร์เซ็นด้วยแต่ว่าขโมยทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใจศาสนามันคนคนเป็นขโมยไม่ใจศาสนาเป็นขโมยอืม คนที่สอนศาสนาก็ไม่ทําอย่างนั้นศาสนาท่านก็ไม่ทําอย่างนั้นอันนี้คนไม่ใช่ศาสนาเขาตบมือเออยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกันทาตะมาก็าตามทอยสหนีชมีขโมยหรือเปล่าไม่อยากตอบแล้วมันก็นคือขโมยมันมีเหมือนกันเนี่ยมันไม่อยากตอบ ม, นะอามาันอะยาวนิดเดียวหนึ่งก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่นี่เรียกว่าโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้ ถ้าคนมีปัญญาแล้วก็เรียกว่ามาอยู่ที่นี่ล่ ะ, ะพระพุทธองค์ก็มาเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์นี้ให้การรู้ทำมีทั้งคนดีคนชั่วมีได้ร้ายอย่างปะปนกันถ้าคนฉลาดก็รู้จักดีก็จับเอาที่มันดีความชั่วก็ระมันถ้าเรารู้จักถ้าคนที่ฉลาดก็มา นั่นอาจรมาถึงสอนเราพวกญาติโยมเราทั้งหลายนั้นในก่อนที่จะมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้มาทําเช่นนี้ก็เป็นของหายากเป็นของหาลําบากด้วย <c oughs> ให้โยมทั้งหลายนั้นะระลึกถึงไหวคําสอนเยาะเย้ยของพระที่ท่านบอกไว้ที่ว่าหัวใจภระาสนาทําไมท่าถึงพูดอย่างนั้นไอ ห, หัวใจเป็นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่ง คนเราต้องคนมานั่งอยู่ในหัวใจไปทิ้งเสียเลก็หมดเท่านั้นน่ยไม่มีเรื่องราวอะไรไม่มีไม่มีอะ ไ, ไรจะติดต่ อ, อเดี๋ยวว่าหัวใจนะี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่นี่พุทธศาสนาก็ต้องมีหัวใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหัวใจของพระศาสนาในเวลาสันส้นๆในเวลาไม่มากเราควรจะฟังหัวใจพุทธศาสนา เดวไปภาวนาแล้วไปพิจรารณาให้แยกคายเราจะได้ความรู้จากพุทธศาสนาทั่วถึงในพุทธศาสนาอันนั้นท่านกล่าวว่าสัพ ป, ป, ปาปัสสะกัณนังกุธระรสุปสัมปทาสาจิทะปะริโยธปนังนี่ตั้งพุทธศาสนาเนี่ยย่ อ, ยอ สาพาพัพปะปปัสสะอาการะนังนั้นหมายความว่าไอ้ความชั่วไความผิดไม่ทำมันเลยดีกว่าไม่ให้ทำความชั่วไม่ทาความผิดไอ้จริงที่ไม่ดีเลยกายหรือ ว, วาจานั้นน่ะพุทธศาสนาดนรงห้ามมีอันหนึ่งจะอะไรเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่ถูกต้องเมื่อจิตใจเราไม่เป็นเช่นนั้น ธรรมะก็จะเกิดขึ้นความเมตตาอารีจะเกิดขึ้นถึงใจเรากุศลสู้ปะสัมปทามีใจเยือกเย็นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามีเมตตาปราณีเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็เป็นธรรมะอันหนึ่งเป็นหัวใจพุทธศาสนาอันนึ่งสาจิตตะปริโยทปนังไม่กระทำบาปแล้วใจเป็นกุศลแล้ว ต่อไปจิตมันก็ผ่องใสทำจิตใจเราให้เป็นพ่องใสสะอาดต่นั่งที่ไหนก็สบายนึกถึงความดีเราที่ทำแล้วปัจจุบันนี้หรืออดีตที่อ่ามาแล้วก็สบายไม่มีอะไรแล้มีความพูงใจยุทุกเวลานี่เดียวว่าหัวใจพุทธศาสนาตั้งอยู่ในหัวใจเราอืมน่ะ หากว่าเราจะต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งทั้งอาจจะมาจะเคยถามอ่ะไปสะแสถงมาบุญกันดื้อๆบางทีข้ามไปจะ้ะทําไมการกระทําบุญกันมากทำไมมันมค่อยเรือดร้อนพวกเราน่นนะเพราะอะไรเล่ามันยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งซี่กหนึ่งซี่ที่ไม่ละบาปนะั่นมันยังอยู่เออไอ้ทาบุญก็ทํา อืมที่ที่ไม่ละบาปนั้นเป็นต้นต่อสําคัญที่สุดแล้วในเบื้องแรกคือสัพพะ ป, ะ ป, ปัสสะอาการะนังนี่ธรรมดาพื้นที่เราปลูกบ้านอย่างนี้นะรากฐานบ้านที่จะปลูกบ้าน น, นทําให้ดีทําให้สะอาดทําให้เน่นนะอบ้านเราจะทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะนั้นเป็นหลักฐานอะไรสิ่งที่ว่ามันจะสะอาดตรงนั้นต้งหมดของสุขภูม อือยไอ้ตรงนั้นมันจะถูกมันจะหมดสิ่งที่มันผิดอะไรบุญจะไปตั้งอยู่ตรงนั้นตรงหมดบาปเขี่ยาบาปออกก่อนถ้ามันมีก็เขียาบาปออกแล้วบุญตั้งลงไปตรงนั้นเนี่ยบุญจะตั้งอยู่ได้อย่างนี้้าราทำบุญนี่็กก็จริงเดยวทำบุญแนะ่มันทาข้างเดียวคล้ายๆว่าไอ้ผ้าเจ็ดเท้าเราเนะี่ยมันสุกกระปุกถนะูกไหม เราไปบ้านเจ๊กเราไปเห็นสีสวยๆล้วก็อยากเอามาย้อมใช่ไหมอืมไปซื้อสีมาย้อมผ้าเช็ดเท้าเราที่สุกระบอกแต่เราไม่ฟอกมันไม่ซักมันนะเอาทางสบกระปกไปย้อมสีมันจะสวยไหมนี่มันกันยันนั้นไงนะทําบุญก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ค่อยลาบบาปกันฮเฮ้ไม่ค่อยลาบบาปกัน <c oughs> มันไม่หมดหัวต่อมันมันจึงมีความเดือ้อน <c oughs> อาตจมาเคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าการการทำบุญกันการเพียนเบี่ยงกันอย่างนี้อืมสุขสนุกสุ ข, ส, ขสบายบางทีพูดอะไรขี้อัดขัดใจเคยเกิดมานิดเดียดนควักปืนมายิงปุ้งนะตายอะละมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากหัวใอที่ไม่ละไม่ในละบาปนะนะแต่ที่บุญเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันมั น, ม, นมันช่วไม่ได้มันเ อ, เอาไม่ไหว อะเพราะว่าตอมันที่สําคัญคือการละบาปคือหัวใจพุทธศาสนาท่านสอนย่อๆแต่มันมีความหมายมากที่สุดอะไรที่เราจะต้องทํานั้นก็คือกายวาจาจิตของเราทอนนี้นะถ้าเรารู้จักหัวใจพุทธศาสนาและพยายามทําตามหัวใจพุทธศาสนานั่นแหละอืเราจะมีความเยือกเยินทุกๆุกคนมีความเยือกเยินเป็นผู้สแสวงบุญ แ้วเสแวงด้ยวยการละบาปด้วยพร้อมกันจะถูกต้องดีแต่คงจะไปทำบุญแง่เดียวก็จะเพียงหนะ้าสิบเปอร์เซ็นแต่ละบาปด้วยก็ทำบุญนะจึงทำบุญนะมันได้ร้อยเอร์เซ็นตเรียบร้อยมีทีถูกต้องเลยแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะแค่นั้นโดยมากวาเวลาจะทำบุญทุกครั้งทุกเวลาก็กราบพระเอาเป็นพยาน พรพุดเป็นเทพึงพระธรรมเป็นเทพึงพระสูงเป็นเทพึงแลืวตอนนั้นไปโดยมากกว่ามีโอกาสดีสมทานสินคือก่อนจะทําอะไรให้พิศิมก่อนอย่างนั้นให้เรียบร้อยก่อนมีคือการท้าบาปอยู่แล้วเนี่ยอะไรทุกอย่างก็เรียนอย่างนั้นเนีย่ยเกิดประโยชน์ข้างเดียวขึ้นมานี่จร่งที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี่ก็เดี๋ยวเราทํามันไม่ค่อยจะถูกต้อง บางคนก็เห็นมาแหม่ทำบุญชั้นก็ทำจะทำไมมันเป็นอย่างเงี้นะอ่าอืมมันะนะ่านะนะนะจะเป็นอย่างงั้นน่าจะเป็นอย่างงั้ น, น ค, คือคิดในรอบครอบบางทีที่คนทำงานทำการก็เหมือนกันแม่ปีนี้เกิดไเคยมากล่าบประตามาทั้งพ้อก็ผมทำงานเอาจริงอาจังทำไมแหมปีนี้น่าจะได้สองขั้นเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ค่อยได้กับเขาเลยน้อยใจ คิดว่าพระพุทธองค์สอนว่ามันทําดีมันได้ดีผมทําดีเรือ่องเกินทําไมมันไม่ได้ดีไอคนอื่นทํำไมก็ดีเขาได้สองขั้นไอผมทําดีๆอยู่ทําไมมันไม่ได้สองขั้ น, มม น, น, นก็ะข้าวน้อยใจไม่มีกําลังที่จะทํางานอันตมาได้บอกว่าดีนันออออนน่นคืออะไรโยมกราบหรือยศหรืออะไรดีรู้ไหมดีนั่นคืออะไร ดีนะั่นมันคืออะไรมันดีนะไม่ใช่สองขั้นสามขั้นนะมันดีฟังเทือกฟังว่ามันดีอย่างนี้อย่างนั้ <c oughs> น, นมันก็เข้าใจผิดกันมันเป็นสิ่งที่พลอยไล่ั น, นี้ยมันเป็นวัตถุอย่างนั้นคนเราจริงขาดที่พึ่งในตัวของเราถ้าเราทำดีเราก็าให้รู้สึกทำอะไรให้พิจรารณาเราทำโดยกายเราทำดีแล้วแล้ววาจาเราพูดดีเจตนาเราดีแล้วอย่างนี้ แต่คนอื่นเขาไหวว่าไม่ดีอย่างเรายกกระติกม่นี้ขึ้นนกยกขึ้นอย่างนี้เรายกขึ้นแล้วเขาว่าเรามายกกระติกนี่แต่ความจริงเรายกแล้วจะไปเสียงเขาทําไมนะเออเราทําดีแล้วน่ะไอ้ความดีนะที่เราก็ทํานั่นแหละคนอื่นรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไอ้ความดียังมีอยู่เอออย่างนั้นโกเปลือนสี อย่างนั้นที่เราทำดีแล้วเขาว่าไปดีงั้นเสียใจดิไม่เชื่อตัวของเรานี่ยนะไม่เป็นตัวเองไม่เป็นตัวของตัวบางทีเราทําไม่ดีอยู่เดี๋ยวเขามาดีงั้นก็ดีใจดิอย่างนี้อันตรามาเท่ไอรความดีนั้ไม่ใช่วัตถุอย่างนั้นนะมันดีบางทีมันดีจังเออคือค่าย ก, ารกรนนันเรียกว่าการกระทําเช่นนั้นเนี่ยว่าเรามีดูกน้องอยู่คนหนึ่งอย่างเงี้ยเฮ้ย ไอ้นี่มึงไปเก็บคนนั่นไอ้กูใช่ปะพราะไปเก็บภูษะให้เงินมันก็ห้าพันบาทหรือหมื่นบาทอย่างเงี้ย น, นั่นดีได้ดีเนะี่ยไอ้ น, นั่นไม่ใจได้ดีมันฆ่าคนนี่ทําไงเนี่ยไอ้ความดีจะเห็นนั่นไม่ใจดีอืไอ้ความดีนั้นไม่ต้องเบียดเบียนตนไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องมีอะไรเคยให้เราทําอยู่นี่คนเห็นก็ก็ดีคนไม่เห็นมันก็ดีไม่มีเสียหาย อันนี้เราจะต้องทำความดีต้องมีคนเห็นยังไงถึงดีใจไอ้ทําความชั่วไอ้คนเห็นก็มไม่สบายใจอย่างนี้คือคนโงูไอ้ความนี้ไม่ต้องใครเห็นเนอกไปทําอยู่บนอากาศเดาทําดีเดาก็ดียั่นั่นแหละใจเรารููอยู่ไปทําอยู่ในในน้ํามันก็ดีอยู่เป็นซิกีปูโตเอาตัวเองเป็นพยานของตัวไม่เอาคนอื่นเป็นพยานอันนี้มันจริงคนอื่นเป็นพยานมันพลิกแปงไปนะ อย่างนั้นการจะทำความดีความชั่วทั้งหลายนั้นให้รู้จักตัวซะก่อนบางคนจะทำความผิดก็มองดูครูอาจารย์มองดูพ่อแม่ไม่เห็นแต่ก็ดีดทำนะนะดีใจว่าพ่อไม่เห็นเราแม่ไม่เห็นเรานายไม่เห็นเราก็ดีใจนั่นคือโง่ที่สุดดีใจแล้วคือคนไม่เห็นไอ้ตัวเราที่เป็นคนเน่ะไม่เป็นคนหรืที่เราทำนะฮะอ นั่นก็มองข้ามตัวเองเท่านั้นแล้ว <Huh? S 1> ตัวเราทํานั่นคือคนคนอื่นมาเห็นกับตัวเราเนี่เห็นตัวเราอย่างงั้นการกระทําดีที่ไหนไม่เสียทําชั่วที่ไหนไม่เสียออ mm hmm. ไม่ต้องเป็นโลกวัชชะ mm hmm. เป็นธรรมาทิปไตย mm hmm. การทําดี mm hmm. ทําถูกต้องเป็นพยานในตัวของมันแล้วออื mm hmm. นะถ้าเราคิดอะไรต่างๆถ้าเราทำไม่ดีเ mm hmm. ขาว่าดีเราก็เชื่อในใจของเราเองนี่ เรารู้จักอยู่เนี่ยเราทําดีเขาว่าไม่ดีเราก็ดีใจอยู่คนไม่เสียหายอะไรพ่อเราเห็นตัวเราอยู่อย่างนี้ถ้าใครเห็นตัวเชนนี้แล้วก็เอาระนะเอาระเป็นคนสมบูรณ์แล้วอืมรู้จักรู้จักรักษาตัวของเราไอ้ที่คนเราทําชั่วเก้า่าดีกว่าดีใจเราทําดีอยู่เขาบอกเราทําชั่วกว็เสียใจคือเป็นคนนันา ไม่มีที่พึ่งน่าสงสารเหมือนกันนะ่ะ ว, ว, ว่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาทุกตลอดการตลอดเวลาอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักความเป็นจริงแล้วก็หวัวใจพุทธศาสน า, าก็จะหยิบคำว่าเส็มหัวใจเราสัพปะปัสสะอัครานังกุสณาสู้ปัชชะปัธาสัจจิตตะปริโยตปะนังอจะมารวมอยู่ที่นี่เมื่อทำเมื่อพูดต้องรู้ที่นี่ไม่มีอะไรเลยก็รม เป็นอยู่เป็นปกติสีเทนะโดยปกติอิตมันเป็นปกติแท้ไม่มีอะไรใครจยว่าชั่วมาดีก็ปกติไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาก็เพราะาเราเห็นนี้อันนี้เราไม่เชื่อตัวของเราอืเราจำเราจำเราจำไก่ได้เขาเรียกว่าเป็ดก็เสียใจเขาเอาเป็ดเป็นไก่ก็วิ่งไปวิ่งมาไม่แน่นอนอย่างนี้ทำไมไม่ดี เราทำชั่วเขาว่าดีก็พอยดีใหญ่สิครัเราทำดีเขาบอกชั่วก็พอยเสียใจยังไม่มีที่พึ่งของเราอย่างนั้นให้ดูตัวของตัวซะเป็นสิคีภูตูเอาตัวเป็นพยานของตัวซะแล้วเมื่อเราถึงหลักพุทธศาสนาคือห้อยใจพุทธศาสนาแล้วพอดีว่าสบายอยู่ประ ก, กันสบายอันนี้แหละมีที่พึ่งแล้วใครจะว่าไม่ดีก็ช่างเธอมันดีอยู่แล้ว อย่างเราจับกระติกน้ำเนี่ขึ้นมาเมมันหนักขว่าเออทันไม่หนักแล้วจะเชื่อเขาไหมเรายกขึ้นมันหนักเขาว่าทันไม่หนักแล้วเชื่อเขาหรือเปล่าแน่ไอ้คนอื่นก็พูดเนี่ยไอ้ความหนักบนปรากรดกับเรานี้อันนี้คือความจริงเป็นสัจธรรมอย่างนั้นอืมฉะนั้นในหลักพุทธศาสนานี่มีหลักสําคัญได้หลายอย่างแต่เมื่อรวมแล้วก็เป็นระเบียบกั น, นเองไม่เป็นอย่างอื่นอืม การพวกเราทั้งหลายนั้นการแสดงหาบุญนั่นให้เข้าใจกันนะอย่าไปลืมนะอย่าไปลืมการละบาปสําคัญการลาบาปแล้วนั่นบุญมันจะค่อยมีขึ้นนะเนาะค่อยๆเป็นขึ้นค่อยๆเป็นขึ้นค่อยๆเป็นขึ้นใจอยากเย็นเรียบร้อยนะถ้าหาว่าหมอรักษาแผลก็ต้องสนิท การละการทํำบาปการทําบุญไม่ละบบาปนี่เหมือนกับแผทรักษาแผลตากแผลมันดีอยู่แห้งอยู่แต่ว่าข้างในไม่ค่อยสนิท น, น, นานๆอักเสบอีกผาตัดอีกทำแผล อ, อีกแล้วนี่ถ้ารักษาไม่ดีก็อย่างเก่าเนี่ยอืมเหยียบไปอีกตากแผลมันก็แห้งได้ข้างในมันบวมอยู่นั่นเนี่ย น, น, นานๆอักเสบอีกผาตัดอีก เราก็อย่างนั้นเดี้ยวเสียใจอีกเดี๋ยวร้องไห้อีกสารพัดอย่างอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะให้เราเข้าใจอย่างนี้อันนี้เป็นเบื้องแรกของเราอมเราจะเห็นในตัวของเราอันนี้ชื่อว่าเห็นธรรมะในใจของเจ้าของเป็นสีคีบผู้โตเอาตัวเป็นพยานของตัวยาวคนอื่นเป็นพยานเราคนอื่นก็เดี๋ยว่าคนอื่นคนอืนคนอื่นพูดกับคนอื่นพูดจะห้ามอะไรก็ทำไม่ได้น ตัวเรานี่นะมันเป็นสิ่งสุดสัจนญกรบเข้ามาจะเป็นอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนนี่เป็นที่พึ่งต้นคนอื่นใครจะเป็นที่ฟึงฟ่งเราท่านก็สอนอย่างนั้น <c oughs> ท่านสอนอย่างนี้ทำอย่างนี้คือตัวพระพุทธเจ้าทำที่ท่าท น, นยังอยู่นี่แทนตัวพระพุทธเจ้าอยู่เราก็น้อมเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจของเรา เราเนึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆเนื้ถึงก็คือธรรมะของท่านอยู่ในใจของเราอันนั้นทนี่เราอยู่ตรงนั้นจะเบิกบานมันจะเบิกบานอยู่จะไหนปรเบริกบานอันนี้การการทําคนงามความดีอย่างนี้มันมีความหมายอย่างนี้ทุกๆ ท, ท่านวันนี้ให้พากันเขา้าเข้าใจแล้วไปพิจารณาขบเคี้ยวให้มันดีอืการแสวงบุญอื ดูข้างล่างพอจะเสียงละบาปเลยนะอย่าไปทิ้งมันนะอืมนี่มันเป็นเงานอื้นออเอาแต่บุญอย่างเดียวมันไม่ก็จะปูกบ้านเอาแต่บ้านที่สวยอย่างเดียวเท่านั้นแลหละหลักฐานบ้านไม่ไม่มันคงเนี้ยก็พังเท่านั้นนี่นี่นะพยายามที่นี่การฟังธรรมการรู้ธรรมะอันนี้พูดวันนี้ก็รู้ไม่ค่อยไม่คยยากเหมือนการสร้างบ้านหลังนี้มันสร้างยากแต่มันก็ไม่ยาก สร้างไปถึงกี่ปีแล้วมันก็เสร็จอืมเสร็จในบ้านอยู่นะแต่ว่าไอ้ก่อนที่บ้านเสร็จแล้วนะการรักษาบ้านโยงมันยากกว่าการสร้างบ้านเห็นมหมโยมโยมแก่ๆคงจะรู้จักเนี่ยได้เรียกมาจับตัววางตรงโน้นวางอีเด็กเจ็กะตรงโน้นตรงนี้เปื่อนๆมันก็ไม่เจ็บไม่ถูนะ ยายก็ตอนเช้าตอนเย็นมากระบุนไปเถอะหายคนที่มันทาอย่างงั้นคนนั้นเหมือนทาอย่างนี้กิ่ง ก, ก่ทั้งนั้นแน่ยังไม่เสร็จเดยโยงขนาดนี้สร้างบ้านเสร็จเรื่องการรักษาบ้านสําคัญกว่าการสร้างบ้านการฟังธรรมะก็ดีก็ง่ายการรักษาธรรมะให้มีอยู่ในใจของเรานัเป็นของยากอคือการปฏิบัติธรรมอืมมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมต้องเคีย้ยวให้มันละเอียดให้มันรู้จักแต่ให้มันรู้จักธรรมะ เรียนธรรมะให้รู้จักธรรมะแล้วก็ให้เป็นธรรมให้จิตเป็นธรรมอย่างนี้นั่นเรียกว่าการปฏิบัตินี้ถมมึงมีมีผลประโยชน์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเึีขอพระยุทธิการบรรยายธรรมะให้จะโยนตังหลายฟังเช่นตานี้